สี่ป จ, จุปันนาตีตะวานันอนุโลมบุคคล133อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหม วิจัชนาะในอุปาทขณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังค์คณะแห่งจิ ต, ท, ขขจตที่วิปปยุจจากกุศลบุคคลผู้เข้าวิโรดสมาบัตแต่บุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังดับในพังค์คณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศล สภาวธรรมที่เป็นอ ก, กุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กําลังดับอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริดของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดเคยดับ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 สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กําลังดับ134อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุ้คล น, นั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤิตของบุ้คลใดเคยดับ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจตัชนาะในอุปาทขคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตที่วิปบยุทธจากอากุศลบุคคลผู้เข้านิโรธจมาบัดและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอพยกริตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กําลังดับในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศล สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กำลังดับอนุโลมโอกาส135อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมละอนุโลมปุกคโรกาอยสามสิบหอนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชณาใช่ปฏิโลมปุจฉั่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมพิจัชณาในอุปาทคณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในพังคข้าขนาดแห่งจิตที่เวิปปยุตจากุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังดับในพังคข้าขนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังดับอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุ้คลใดในภูมิใดายกำลังดับ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นในปุมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในปูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาะในอุ ป, ปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังค ข, ขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศล บุคคลผู้บัติอยู่ในอัญญตัดตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กําลังดับในพังค์ขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กําลังดับหนึอนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤษตของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กาลังดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทกนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในพังคข้าขนาแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลบุคคลผู้อุบัติอยู่แนจัญญสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอก kind of well ุศลไม่ใช่กำลังดับในพังค์ข้าขนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กำลังดับปัจจนีกับบุคคล หนึอสาสบแปดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัตชนาเคยดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมมีไหมวิจัตชนาไม่มี อนุลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุ้คลใดไม่ใช่กําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอภัยกฤะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะษของบุ้คลใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุ้คล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังดับมีไหมวิจัดชนาไม่มีหนึอนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนะเคยดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กาลังดับมีไหมวิจัชนะไม่มีปจณจีกโอกาหอส140อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลในปมิใดไม่ใช่กำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในปุ მ นั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมละปัจจณีกับปุบคโลกาดหนอสี่สอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในปุ მ ใดไม่ใช่กำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิตัชฉนาในอุปาทขศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในพังค์ขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่ไม่เคยดับเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บาดอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญจัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับภ er, else, สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิตัชชาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิตัชชาไนปารถคณาแห่ง จิตของบุคคลทั้งหมดในพังค์ข้าแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลบุคคลผู้บัติอยู่ในอาจารย์ัศตภูมิสภาบธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สภาบธรรมที่เป็นอัพยากฤิตมิใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังอุบัตในสุทาวาตภูมิสภาบธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและสภาบธรรมที่เป็นอัพยากฤิตก็ไม่เคยดับ ป, ปฏิโลมปุชชาสภาวธรมรมที่เป็นอภพยากริตของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิตัชชาใช่142อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศล <examples> ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอภพยากริตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิตัชชา ในอุปาทขศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังค์ขัตนาแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลบุคคลผู้บัติยู่ในอาจารยจัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตมีใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติอยู่ในตุทาวาตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกศุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตก็มไม่เคยดับ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 สภาวธรรมท of career, ี่เป็นกุศลของบุคคลใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาในพังคะขณะแห่งอรหัตธรรมบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลําดับแห่งจิตใจในบุญเล็บในพังคะขณะแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ในพังคะขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศล สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิตัชนาะในอุปาถขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจา ก, กุศลบุคคลผู้เข้าในรถสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอาจารยตตภูมิ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 ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิตัชชนาะในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคคณะแห่งจิตที่วิท ย, ยุจากกุศลบุคคลผู้เข้านิ่ยวโรตามาบัตดและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอัญญริตตพูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กําลังดับ ในพังค์ขนขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวธ ร, รรมที่เป็นกุศลก็กําลังดับ144อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอัภพยากฤิตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลบุคคลผู้เข้านิโรสสมาบัติและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลเรานั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศนนกกลไม่ใช่กําลังดับ ในพังค์คะขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กําลังดับอนุโลมโอกาส 14.5 อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกำลังดับสภาบธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมละอนุโลมปุขคะโอกาสี่สอนุโลมปุชชา สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งอรหัตธรรมบุคคลจักได้อรหัตมรรมในลำดับแห่งจิตใจในพังคะขณะแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับ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 ในพังคขณะนาแห่งจิตที่วิทยุจากกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในปูมมนั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังดับอนุลมปุจฉา สภาธรรมที่เป็นกุศลของบุค้คลใดในภูมิใดกํากลังดับสภาธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุ้คล น, นั้นในภูม an, นิมนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอภพยากริตของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมนิ น, น, มนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาะในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากุศล บุคคลผู้บัดอยู่ในอาจ า, ารย์ยตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังดับในพังคขณนะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็น อ, อัพยากริตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังดับหนึอนุโลมปุจฉ่าสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จัดดับใช่ไหมวิตัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิตัชนาในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตที่วิปรยุติจากอกุศลบุคคลผู้บัตยู่ในอัญญาตตภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กําลังดับในพังค์ข้านาดแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กําลังดับปัจจนีกับบุคคลหนึอนุลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับ สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัชนาะในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังค ข, ขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลบุคคลผู้เข้าเนือรสสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลมิใช่จักไม่ดับในอุปาทขณะแห่งอรหัตมักอรหันต บ, บุคคล บุคคลจักได้อาราหธรรมกในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทัขณะแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่จักดับปฏิรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิตัชนาในพังคะขณะแห่งอาราหธรรคกบุคคลจักไดอาราหธรรมกในลำดับแห่งจิตใด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 สภาประธานที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะษของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัชนาะในอุปาทัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลบุคคลผู้เข้าเหนืรสจะมาบัตดและบุคคลผู้บัดอยู่ในอัญยตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะดิษไม่ใช่จากไม่ดับ ในพังค์ขณะแห่งปัจฉิมจิตสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็ไม่ใช่จักดับปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิตัตชนาใช่149อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลใดไม่ใช่กําลังดับ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัชนาะในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคฆคณาแห่งจิตที่วิปยุตจากอากุศลบุคคลผู้เข้าใโรสสมาบัตแต่บุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญตต ภ, ภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตมิใช่จากไม่ดับในพังคฆคณะแห่งปัจฉิมจิต สภาธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุชฌาสภาวธรรมที่เป็นอัิยากฤตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจนีกโอกาส150อนุโลมปุชฌา สภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมละปัจจณีกับปุกคโรกาศ151อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับสภาบธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิตัชนาในุปาถขณาแหง่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในพังคะขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จากไม่ดับในอุปาทขณะแห่องอรหัตมรรคอรหันตบุคคลบุคคลจากได้อรหัตมรรมในลําดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิต น, นั้นบุคคลผู้อุบัทวอยู่ในสัญญาตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับ แต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิตัชนาในพังค์ขณะแห่งอรหัตมรัคษบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในพังค์ขณะแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ แต่สภาธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กำลังดับในอุปาทัศขณะแห่งอรหัตมักอรหันตตาบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทัศขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัติอยู่ในอัตญัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กำลังดับอนุโลมปุจฉาสภาวธรรม ที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอภัยากริตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทขณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคาทณะแห่งจิตที่วิปทยุจากกุศลบุคคลผู้บัดอยู่ในอัญญจตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอภัยาการิตไม่ใช่จักไม่ดับ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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทัศนะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุทธจากอกุศลบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตไม่ใช่จักไม่ดับ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 อตีตานาคตวานอนุโลมบุคคล153อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยรหัตมักอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยดับ แต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิตัชชาใช่อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาในพังคขะขณะแห่งปัจจิมจิตสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตก็จักดับปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอภพยากริตของบุคคลใดก็จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่154อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอัพิยากริตของบุคคลนั้นจะก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาในพังคขณะแห่งปัจจิมจิตสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยดับ แต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยดับได้สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุลมโอกาส155อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมละอนุโลมปุขคโอกาด156อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัตชนาะ บุคคลผู้พร้อมเปลีนน่ยนด้วยอรหัตามัคอรหันหาตาบุคคลบุคคลจกได้อรหาัตามัคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอนกุศลไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจวโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับ ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เคยดับอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาในพังคขัคณาแห่งปฏิมจิตสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิไม่ใช่จักดับ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 157อนุโลมปุตชาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาะในพังค์ข้าขนาแห่งปัจจิมจิตสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็จะดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็นนนเคยดับใช่ไหมวิจัตชนาะเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวธรรมที mild, ่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับมีไหมวิจัดชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จากดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาเคยดับอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยดับ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับ159อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิต ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจัดชนาไม่มีปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอภพยากฤิตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาเคยดับปัจจณีกโอกาส160ออนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรม Abraham, ที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมละปัจจณีกับป e ุขคโลกาหนึอสิบเอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิเศชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาัตตภูมิสภาวธรรทมที <im era> <S <S ่เป <ret ot> ็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและสภาประทมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่จักดับปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหม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 162อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะษของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนจาจักดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาะ เคยดับนิโรธวานจบ